วัน น, 7, ญญนีพุทธิเจตกันยายนพุทธศักราช2554วันนี้พระสงฆ์ลงมาฉัน38รูปงดฉัน10รูปวันนี้ทุกคนมันมีทุก์อยู่ในใจทุกอยู่ในกายทุกอยู่ในใจพวกเราต้องแ ส, สวงหาหาทางพ้นทุกเหมือนกับเราดูตามธรรมดาเราไม่มีเงินใช้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 ถ้าคำว่าพวกเราไม่โสเสวงหาไม่ดิ้นรนไม่โสเสวงหาทางพ้นทุกพวกเราก็จะจมปลักอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราสแสวงหาทางก็ต้องเจอทางทางนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้พระในครั้งพุทธการท่าน ส, สรรเสริญพระพุทธเจ้า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 ไปอยู่ในป่าตามลำพังจนได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณมองดูแลเป็นเรื่องอจจัศจรรย์อย่างมากเป็นเรื่องอจจัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่จะทำได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเราพิจารณาดูซิท่านไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรในราชสมบัติของพระองค์ แต่พระ อ, องค์ก็เสียสละทั้งหมดออกบวชบำเพ็ญหาช่องทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระ อ, องค์ก็สำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาได้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งอันนี้คือพระสงฆ์สนทนากันในธรรมสภาในที่ประชุมใหญ่พระโพธ อ, องค์ได้เสด็จมา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 หมดอายุขายแล้วแต่ชนีสมชายของหลวงพ่อเนี่ยโอ้นานเลยท่นเนี้เออมันยังร้องมันยังห้อยหอยโหนโจนทยานจนบนยอดไม้ได้อยู่อหลวงพ่อดูๆแล้วมันเป็นสิ บ, ส, บสิบปีเหมือนกันนะนี่แหละแต่ละสัตว์นี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันอีกท่านว่าสมัยนั้นท่านมีอายุยืนถึงเป็ น, เ ป, นเป็นแสนปี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 เราจะไปใช้คนซุมสี่ซุมหไม่ได้อาจจะเป็นมือที่สองที่สา ม, มาตัดคอปาดคอมีดโกนตัดคอเลยก็ไปได้ง่ายๆเพราะนั้นต้องหาคนที่คนไว้เนื้อเชื่อใจที่เป็นช่างกันบกท่านก็เห็นเกศสาท่านเององอกแนละ้วท่านก็เรียกในช่างกันบกมาในช่างกันบกก็มาถอนเกศสาเส้นนั้นออกมาให้พระองค์ทอดพระเนตรเนี่ย สงสัฝ่ามือโอ้เราเนี่แกแล้วไม่รู้ว่าอันนี้บอกถึงความแก่แล้วถ้าคนไม่แกผ่ผมจะไม่หงอกแต่นี่เราแก่แล้วจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าอืมเราคงจะสล ะ, ะราชาสมบัติเราไม่ควรจะหมกหมมวุ่นวายอยู่กับชีวิตคารวาัตเพราะชีวิตของคารวัตไม่รู้ว่า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 จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้มอบราชสมบัติให้แก่ลูกชายคนโตเออลูกนะพอจะได้ออกบวชแล้วนะก็มอบลูกมอบราชสมบัติให้ลูกชายคนโตชวนพระ อ, องค์ก็เป็นบวชเป็นลือีไปอยู่ในอุทยานาไปอยู่ในอุทยานอยู่ในความสงบของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็บําเพ็ญเรื่องศีลสมาธิบําเพ็ญฌาน จนได้ฌานสมาบัติจะว่ามีอิทธิฤทธิ์หเหินเดินฟ้าได้ลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านไปปรมพำเพลอยู่ในในอุทยานของท่านจากนั้นท่านก็สวรรคตในเพศลือศีจากนั้นก็ท่านก็ขึ้นไปสู่พรหมโลกพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าน่ะเรื่องในนิทานหรือวฌานตากในเรื่องนี้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 ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเห็นเพียงเกียรสาออกเส่นเดียวท่านก็ออกไปบวชแต่พวกเราท่านทั้งหลายผมออกจะเต็มหัวอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จักไม่หันหมุนตัวเขาหาสู่ศีลสู่ธรรมพวกเราว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าจัดว่าอยู่ตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากแล้วก็เพ้อเพอยังหาสีมาย้อมอีก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 เมื่อ 2,554 0 0ปีให้หลังพระองค์ได้ตัดรู้ที่โคลนต้นโพตัดรู้อะไรในวันนั้นพระองค์บอกว่าปุเพนิวาสานุสติยานพอจิตของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วและลึกชาติผลหลังได้พระธรรมศาสนาไยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญถ้าตายแล้วสูญจะและลึกชาติผลหลังได้อย่างไรยัางปุเพนิวาสานุสติยาน พอถึงเที่ยงคืนตุูปะภาตยานสัรวสัตว์ทั้งหลายมาจากที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่เราจะไปไหนแต่ละวิญญาณแต่ละดวงแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปหนานามแต่ละสัตติชายานออกจากตรงนี้จะไปไหนเหมือนกับเรา ม, ามันมาเกาะอยู่ที่นี่ปัจจุบันแล้วมันจะกระโดดไปไหนไปกิ่งไม้กิ่งไหนอีกเหมือนกับนกนที่มันเกาะชีวิตของเราก็เหมือนกันเรามาเกาะอยู่จุดนี้ออกจากนี้เราจะไปไหน พระพุทธองรู้หมดว่ามันจะวิญญาณดวงนี้จะไปไหนแหมจะไปดีหรือจะไปชั่วอีกรู้อีกต่างหากไงพระองค์บอกว่าคนที่จะไปดีนทําไมจึงไปดีทําไมคนจึงไปชั่ววิญญาณดวงนี้ทำไมไปชั่วทําไมไปดีทําไมไม่ไปแบบดีด้วยกันทนะั้งหมดใครๆอยากจะอยากจะคนดีพระพุทโองย้อนไปถึงว่ากรรมคือการกระทําถ้าเรากระทากรรมชั่ว กรรมชั่วจะต้องติดตามดวงวิญญาณดวงนั้นไปให้ผลต่อไปภายภาคหน้าเพราะอะไรเพราะเขาทำกรรมชั่วเขาทำกรรมดีกรรมดีก็ติดตามให้ผลไปสู่สุขคติไปในทางที่ดีเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเน้นว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วติดติดตามรเราไปสู่ปรกไม่มีที่สิ้นสุดแห่กรรมตัวนี้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 เข้าข่ายปฏิจจสมุบาติอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจญานามรูปังจนถึงโศกปริเทวทุกขโทมณสุอุปายาตพวกเราร้องให้พิไรรำพันโศกเศร้าโศ ก, กาดูลทุกวันนี้มาจากไหนมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาคือความโง่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 สาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจดวงนั้นมันใจดรงนั้นมันมีเชื้ออยู่เหมือนกับเม็ดขนนและเม็ดข้าวนะมันมีเชื้ออยู่ในนั้นจะทำยังไงจึงจะเอาเชื้อมันออกเชื้อที่จะพาให้เกิดออกได้อย่างไรพระองค์ก็ได้ใช้ตะธรรมคือสินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาคือมักแป สัมมาทิฏฐิสเนี่ยสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาคัมมันโตไอชิววายโมจติส ม, มาธิเนี่แหละคือมรรคแปมรรคแปดถึงสรุปแล้วก็คือศินส ม, มาธิปัญญาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่จะชําระใจดวงนั้นให้หมดจดจากกิเลสให้กระเทาะเอาเชื้อคือกิเลสออกจากใจให้ได้เพราะโดยตปรธรรมคือสินส ม, มาธิปัญญา จากนั้นจวนสว่างพระองค์ก็ชาระได้จริงๆด้วยตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาชาระใจของพระองคหมดจ ด, ดจากกิเลสกิเลสก็หลุดออกจากใจพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากเรื่องกิเลสจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรุ้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โค้นต้นโพในวันเดือนหกเพนจวนสว่างในวันเดือนหกเพนนั้นนี่แหละ พ, พระพองค์ ป, ปําเพ็ญมีที่ไปที่มาพระพุทธเจ้าที่ศ า, าสตราของพวกเราไม่ใช่ล่อมหล่มแรงแรงท่านเป็นมนุษย์เป็นพระหมหากษัตริย์เป็นผู้ออกบวชพระสงฆ์ทั้งหลายได้สรรเสริญว่าเป็นผู้ยิ่งหาได้ยากมีความสุขอย่างนั้นแล้วจึงเสียสละถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าใชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราว่าเราก็พร้อมบะลมีเต็มเปี่ยม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 เราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและก็เห็นสมณะเป็นหนทางที่จะสู่ทางพ้นทุกข์ได้เราจึงเลยสละราช ส, สมบัติออกไปทรงพรนันดอยู่ในป่าบำเพ็ญถึงหกปีเราจึงได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วจบแล้วเพราะสิ่งที่ที่จะนําพามาเกิดนั้นคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะ เรากำจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์จากเครื่องจองจำเครื่องพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงแล้วนี่นี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษาสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทบันฑิดนักปราชญ์ท่านเห็นเพียงสีรษะเพียงเส้นเดี่ยวหงอกท่านกย็ยังเห็นพยา牡ุราชทวงถามแล้วทวงถามทวงชีวิตของเราแล้ว แต่พวกเราท่านทั้งหลายนึกดูให้ดีก็แล้วกันหลวงพ่ออินหงอกมาลวกกี่เส้นเหมือนกันนะหลวงพ่อถึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีหลวงพ่อจะทาสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นแนะนำสิ่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งนั้ น, น, นเพราะว่าเราจะอยู่นานสักเท่าไหร่จากนี้ไปไม่นานสรุปแล้วนะหลับพร อ, อนุโมทนาให้พร